ทุกวันนี้นะเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะนะเดือนนี้มีคนสังเกตรหรือเปล่าว่าเด็กขายหนังสือพิมพ์ตามสี่แยกในกรุงเทพเนี่ยไม่มีเลยก็ว่าได้นะแต่ก่อนนี่ตามสี่แยกก็ยัมีเด็กขายหนังสือพิมพ์อยู่เยอะแยะเดี๋ยวนี้หายไปไหนหมดเป็นเพราะคนไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์กันละอ่านกันน้อยมาก นิตยสารที่มีชื่อหลายแห่งเคยขายดิบขายดีตอนนี้ก็ต้องปิดตัวโทรทัศน์นะคนก็ดูกันน้อยลงแม้แต่โทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ยก็ไม่ได้รับความนิยมอย่างที่คิดนะเพราะคนไปดูโทรทัศน์ดูหนังนะผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านแท็บเล็ต โทรศัพท์สาธารณะเดี๋ยวนี้ก็แทบจะหาไม่ได้นะต่อไปโทรศัพท์บ้านก็คงจะศูนย์พันไปด้วยนะแม้แต่รถเนี่ยนะรถที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนี่ยไม่แน่นะอีกยี่สิบปีเนี่ยจะหายไปจากท้องถนนเหมือนกันตอนนี้ในประเทศยุโรปหลายประเทศเนี่ยเขามีแผนเลยนะว่าภายในสิบปีเนี่ยบางแห่งก็แปดปีนะจะ งดผลิตงดขายรถที่ใช้น้ำมันนะแล้วก็ต่อไปก็จะห้ามใช้ขับเคลื่ อ, อนบนถนนเลยเพราะอะไรเพราะมีรถไฟฟ้านะรถไฟฟ้านี่กำลังจะเข้ามาแทนที่รถที่ขับด้วยน้ำมันนะตอนที่จะมาไปนอร์เวย์เมื่อสองเดือนก่อนนี่ก็ ก็เห็นรถก็จอดเรียงเป็นแถวแล้วก็มีสายไปเชื่อมติดอยู่กับเสาถามเขาว่าหลไรเขบอกเป็นเป็นการชาร์จแบตเตอรี่นะก็คือรถไฟฟ้าเนี่ยเขาชาร์จเอาไว้เดีรวนี้มันจเจริญมานะแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเนี่ทุกวันนี้เนี่ยสามารถจะขับเคลื่อนรถเนี่ยเป็นพันกิโลได้นะ ในการชาร์จเพียงครั้งเดียวเนี่ยหูนไกลนะพันกิโลเนี่ยกรุงเทพนะหาดใจเนี่ยแค่ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มครั้งเดียวนี้ไปได้ถึงเลยเาเพราะนั้นเนี่ยต่อไปรถที่เราเห็นเนี่ยที่ขับด้วยน้ำมันก็จะหายไปละค่อยๆหายไปแบบไม่ทันรู้ตัวนะเหมือนกับเด็กขายหนังสือพิมพ์นะ ล้วก็ยิงกว่านั้นนะต่อไปรถที่ไม่มีคนขับนะก็คงจะมานะมาแทนหรือว่าเห็นเกื่อนกราดเต็มถนนเหมือนกันอาจจะภายในยี่สิปีข้างหน้าเรือจะเร็วกว่านั้นรนถะที่ไม่มีคนขับตอนนี้ก็เริ่มทดลองใช้แล้วอันนี้มันเป็นความเปลี่ยนแปลงของโลกนะที่มันเร็วนะ c ดีเดี๋ยวนี้แผ่นซ d ดีที่เราใช้ฟัง ธรรมะกันเนี่ยอีกไม่นานคงจะเลิกผลิตแล้วนะเพราะคนไม่ค่อยใช้กันแล้วคนเวลาอยากจะฟังธรรมะ ก, ก็ไปโหลดเอาทางย t ท b e ทางอินเทอร์เน็ตนะเครื่องผลิตเครื่องเล่นซีดีตอนนี้ก็หายากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆืยคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆนี่เขาไม่มีนะไม่มีที่เสียบ ที่ใส่ซีดีแล้วนะที่มีอยู่ก็น้อยมากนะอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นของทันสมัยเนี่ยมันจะล้าสมัยในเวลาไม่นานเร็วมากในชีวิตคนเราในวันข้างหน้าเนี่ยเอาแค่สิบปีข้างหน้านี่คงจะเปลี่ยนไปเยอะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการคุยกันแล้วนะว่า ใน20ปีข้างหน้าเนี่ยคนคงจะตกงานกันเยอะมากเพราะว่ามันมีหุ่นยนต์นะมันมีปัญญาประดิษฐ์นะเรียกวาเอไอที่กำลังจะมาแทนที่คนนี้ตามโรงงานต่างๆนี่เขาก็ใช้หุ่นยนต์เนเยอะแล้วคนก็ไปทำ ไปทางานด้านอื่นแทนแต่ว่างานที่ไปทำแทนเช่นงานบัญชีหรืองานที่ใช้สมองเนี่ยนะปัญญาประดิษฐ์มันก็จะมาแทนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวินิจฉัยโรคได้แล้วนะใช้ปัญญาประดิษฐ์เขียนสำเนาเขียนคำถแถลงสําหรับทนายความสานวนนะสนวนกฎหมายเนี่ยแต่ก่อนต้องใช้คน ต้องใช้ทนายความแต่ว่าต่อไปเนี้ยไม่ต้องใช้แล้วทนายความไม่ต้องมาทำงานด้านนี้แล้ว ai ปัญญาประดิษฐ์จะมาแทนเดี๋ยวนี้มันเขียนนิยายก็ได้แล้วนะมันแต่งเพลงก็ได้แล้วรับเพลงก็ไพเราะโดยเพราะมันไปไปวิเคราะห์จากเพลงดังๆที่คนนิยมกันแล้วมันก็จะหาหลักว่าคนนิยมเพลง เพลงดังๆนี่เป็นที่นิยมได้อย่างไรนะมันก็แต่งตามสูตรนั่นแหละแล้วะต่อไป น, นักแต่งเพลงก็ตกงานกันในอเมริกาเากะประมาณว่าอาชีพที่เป็นอาชีพที่เป็นแรงงานจะเป็นไร้ฝีมือหรือมีฝีมือก็ตก็แล้วแตาเ่เนี่ยปดสิบปอร์เซนเนี่ยนะ จะตกเป็นของเครื่องจักรหรือปัญญาประดิษฐ์แทนก็คือตกงานนั่นเองนะ 80% ตกงานภายใน20ปีข้างหน้าแล้วก็อาชีพทั้งหมดประมาณ 50% ก็จะตกงานในช่วงเวลาเดียวกันหมายความว่านอกจากกรรมกรมีฝีมือไม่มีฝีมือแล้วอาชีพอื่นที่เคยใช้หัวสมองเช่นพนักงานบัญชีพนักงานธนาคารนะหรือว่า อ่าทนายความนะในบางในบางเรื่องบางตำแหน่งก็จะต้องยกให้ปัญญาประดิษฐ์มันทำงานแทนการ ว, วินิจฉัยโรคต่อไปก็ไม่ต้องใช้หมอนะปัญญาประดิษฐ์มันทำงานแทนสี่สเ็ดเอร์ซนะหรือเกือบห้าสิบอร์เซ็นเนี่ยจะอาชีพนี้จะหายไปเลยเครื่องยนต์หรือว่า ปัญญาประดิษฐ์มาทํางานแทนแล้วคนที่ถูกเครื่องจักรหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐนะ์มาทํางานแทนนี่จะจะทํางานอะไรนะจึงจะมีรายได้นะมีเงินนะในเมื่อนาที่อ า, อาชีพต่างๆแม้แต่ขับรถเนี่ยนะก็ไม่ต้องใช้แล้วคนขับรถแล้วจะ เอาเงินที่ไหนนะมาเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงตัวแนตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดกันแล้วนะควรจะมีการให้เงินให้เงินกับประชาชนทุกคนเลยเป่าๆ เ, เลยนะก็เรียกว่าเป็นรายได้รายได้พื้นฐานที่พอทำให้มีชีวิตอยู่ได้ ทัวนี้เรามีค่าแรงขั้นต่ำนะแต่ว่าไอ้รายด้านพื้นฐานที่เบสิกอินคัมเนี่ยนะเขามีข้อเสนอพูดกันนาหูมากขึ้นว่าเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับจากรัฐเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีงานทําหรือถึงมีงานทําก็เป็นงานที่รายได้ไม่มากนั้นถ้าปล่อยคนพวกนี้เนี่ย ยากจนไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อยเดี๋ยวสังคมมันวุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่นะให้เงินกับประชาชนเป่าเปล่าเลยอันนี้คลอค่ากับการบริการสุขภาพที่ให้เปล่านะในเมืองไทยเราก็มีนะสุขภาพท้วนหน้าเนะใครไปโรงพยาบาลก็มีหลักประกันพื้นฐานว่า ไม่ต้องเสียเงินก็ได้นะได้รับบริการจากรัฐในด้านสาธารณาสุขเปล่าๆถ้าไม่เกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ต่อไปก็คงต้องมีการจัดรายได้พื้นฐานให้กับประชาชนทุกคนที่อยู่ในวัยทำงานคือได้ฟรีๆเลยอันนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องตลกนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็คิดกันจริงจังมากในอเมริกาเริ่มมีการ าทาโครงการโดยธุรกิจเอกชนนะไม่ใช่รัฐบาลแจกงเงินให้กับประชาชนเขาเรื่อมาประมาณร้อยรอยครอบครัวในอเมริกานะแล้วก็ให้เงินไปเลยเปล่าเปล่าเลยเดือนละพันห้าร้อยเหรียญไม่ว่าใครจะทำงานไม่ทำงานนะเขาให้ไปเลย แล้วก็ให้ซักระยะหนึ่งเพื่อศึกษาวิจัยว่าการให้เงินปอบเปล่าแก่ประชาชนเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรตอนนี้ก็มีการใช้ในโยบายนี้นะในหลายประเทศนะในอินเดียในเคนยาอย่างในเคนยานี่ยเขาเลือกมาประมาณ6000คนแล้วก็ให้เงินปอบปล่าเลยกับชาวบ้านที่ยากจนครอบครัวละ เจ็ดร้อยบาทนะย2ิบสองเหรียญเขาเกาจะให้ทุกเดือนสิบสองปีเพื่อศึกษาดูว่าการให้เงินเปล่าเปล่าเนี่ยกับประชาชนที่ยากจนเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียงไงบ้างทีแรกก็คิดว่าเนี่ยคนที่ได้เงินนะโดยเฉพาะคนยากจนคงจะเอาเงินไปซื้อเหล้านะไปเล่นหวยไปแทง ไปแทงไปเล่นการพนันแทงมาอะไรอย่างี้นะแต่ที่เขาวิจัยพบว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคนก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อเครื่องมือทำมาหากินอาจจะไปซื้อรถมอเตอร์ไซคนะ์ก็เอามาใช้ในการทำอาชีพนะบางทีก็ทำให้เขามีอาหารกินเพิ่มขึ้นมีเงินซื้ออาหารให้ลูกมากขึ้น ลูกที่ต้องไปทำงานก็ไม่ต้องไปทำงานแล้วไปเรียนหนังสือพ่อแม่หรือพ่อนี่มีรายได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนี่ก็เป็นเป็นเป็นตัวอย่างว่าตอนนี้เนี่ยคนกำลังพูดกันมากแล้วกําำลังถือว่าเป็นเรื่องจริงจังมากนะว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อคนตกงานนะการที่ให้คนมีรายได้พื้นฐานแบบได้เงินฟรีๆจากรัฐบาลเลยเนี่ยมันจะ มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของโลกนะที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะว่ามันจะมาถึงจุดนี้นะในเร็วๆนี้นะว่าคนเนี่ยไม่ต้องทํางานก็ได้เงินนะแต่ถ้าทํางานนะมันก็มีเรียกว่ามีรายได้เสริมเข้ามาสมัยก่อนเราคิดว่าการแจกเงินให้กับประชาชนเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นสิ่งที่อ อาจทำให้เกิดผลเสียแต่ตอนนี้เขาไม่คิดอย่างนั้นแล้วเพราะว่าไอการวิจัยในหลายประเทศเพบว่าให้มันดีนะมันดีกว่าการเอาของไปให้ประชาชนเอาของไปให้ชาว บ, บ้านนี่บางทีก็ไม่รู้เขาใช้หรือเปล่านะให้เงินไปเลยง่ายๆดีนะอันนี้ก็กําลังเกิดขึ้นในทั้งประเทศที่ยากจนแล้วประเทศที่ร่ารวย กขากำลังศึกษาอยู่เมืองไทยไปถึงตรงนั้นคงอีกหลายปีนะที่พูดมาเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากไอ้หลายสิ่งหลายอย่างที่เรานึกไม่ถึงนะเดี๋ยวคิว่ามันคงเป็นไปไม่ได้นะมันกําลังจะเป็นไปได้นะเร็วๆนี้นะและสิ่งที่เราคุ้นเคยลูกโซ่มันเป็นเรื่องทันสมัยต่อไปมันจะกลายเป็นของล้าสมัยในเวลาไม่นาน เช่นรถยนต์ที่ใช้น้ํามันเนี่ยภายในรุ่นของเราเนี่ยก็คื อ, คอภายในสิบยี่สิบปีองค์จะเห็นนะว่ามันกลายเป็นของล้าสมัยเป็นแล้วหรือว่าใช้กันน้อยแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ล้าสมัยนะสิ่งที่ไม่เคยตกรุ่นเลยนะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะก็คือธรรมะ ธรรมะเนี่ยเช่นความดีความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อเกอื้อกูลมันทันสมัยตลอดเวลานะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนสมัยพุทธกาล 2,600 ปีหรือถอยหลังไปไกลกว่านั้นนะสมัยอียิปต์ก็ได้ 5,000 ปีไอคุณธรรมความมีน้ำใจเมตตากรุณา มันยังเป็นมันเป็นสิ่งสําคัญสําคัญอย่างไรในสมัยนั้นนะเดี๋ยวนี้ก็สําคัญอยู่แล้วก็จะสําคัญมากขึ้นเพราะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีก้าวหน้าแค่ไหนนะเราก็ต้องอยู่ร่วมกันและการอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าหากว่าคนไม่มีน้ําใจนะไม่มีศีล ไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้นะสายพุทธการนะคนมีคุณธรรมเนี่ยจาเป็นอย่างไรที่ช่วยทำให้สังคมมันอยู่สงบสุขสมัยนี้ก็เช่นกันนะไม่ว่าโรคจะพัฒนาไปอย่างไรนะรวดเร็วแค่ไหนเนี่ยคนก็ยังรักสุขเกลียดทุกข์และคนยังต้องมีความทุกข์ทุกก า, า จ, จะน้อยลงนะ แต่ว่าทุกใจเนี่ยไม่เคยน้อยลงเลยความโศกความรล่ำไ ร, รํำพันทุกโทมนันัดความคับแค้นใจรวมถึงความเจ็บความป่วยความแก่ความพัดพลาดสูญเสียและความตายก็ยังเติดยังต้องเกิดขึ้นกับคนทุกคนแล้วคนทุกยุคทุกสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าว่าคนไม่มีธรรมะ นอกจากไม่มีน้ำใจไม่มีความเอื้อเฟือแล้วเนี่ยนะไม่มีสติไม่มีปัญญามันก็จะหลุดพ้นหรือจะออกจากความทุกข์ใจไม่ได้แม้จะทุกข์กายแม้จะสุ ก, กายนะสะดวกสบายมากมายแต่ถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องกำกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่น แล้วก็เป็นเครื่องรักษาใจมันก็หาความสุขได้ยากความต้องการในทางวัตถุของคนเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสิบปีก่อนไม่มีใครต้องการโทรศัพท์มือถือไม่มีใครต้องการแท็บเล็ตเนียแต่เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นของจาเป็นขึ้นมาแล้วพาะรู้จักแต่ก่อนที่ไม่ต้องการเพราะไม่เห็น ไม่รู้จักนะพอเห็นแล้วมันก็อยากได้แต่ต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นของลาสมัยเนยเราก็จะไปสแสวงหาสิ่งอื่นมาแทนแต่ว่ามันก็ยังหนีทุกข์ไม่พ้นนะหากว่าเราไม่มีธรรมะความสุขของคนเราเนี่ยนะมันก็ต้องอาศัยสองอย่างนะเป็นเรื่องความสัมพันธนะ์อันที่หนึ่งสัมพันธ์กับผู้อื่น สองสัมพันธ์กับตัวเองสัมพันธ์กับพวกอื่นก็คือความเอื้อเฟื้อเกอื้อกูลกันความมีน้ำใจการไม่เบียดเบียนสัมพันธ์กับตัวเองก็คือการรักตัวเองรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเป็นมิตรตัวเองได้คนสมัยนี้เนี่ยมีอะไรมากมายนะสามารถติดต่อกับคนข้ามทวีปได้อย่างรวดเร็วแต่ว่า ก็ยังทุกข์เพราะว่าเหินห่างกับคนในบ้านไม่มีเวลาพูดคุยกันเอาแต่ก้มหน้านะดูจอโทรทัศน์หรือจอแท็บเล็ตขณะเดียวกันก็แปลกแยกกับตัวเองด้วยนะแปลกแยกกับตัวเองไม่เข้าใจตัวเองไม่รักตัวเองนะรังเกียจตัวเอง อยู่คนเดียวแล้วก็กระสับกระส่ายอันนี้เลยว่ามีปัญหาความสัมพันธ์กับตัวเองธรรมะเนี่ยมันช่วยนะสองอย่างช่วยทำให้เราสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น <c oughs> นำความสุขมาให้ค่ะเดียวกันก็ทำให้เราอยู่กับตัวเองได้มีความสุข <c oughs> ได้พบกับความสงบนะทวันนี้เนี่ยนะ โลกมันจะพัฒนาไปแค่ไหนนะแต่คนก็ต้องการความสุขและความสุขอย่างหนึ่งที่คนต้องการคือความสงบใจนีอย่างนี้ความสงบเนี่ยกลายเป็นของหายากหายากขึ้นเรื่อยๆไปที่ไหนเนี่ยก็มีแต่เสียงดังบางทีไม่ใช่เสียงเนี่ที่ทำให้ไม่สงบข้อมูลข่าวสารข้อความต่างๆไอ้พวกนี้บางทีไม่มีเสียงนะ มันเป็นแค่ตัวอักษรนะแต่พอเราเห็นแล้วเราก็ร้อนเราก็โกรธเราก็ว้าวุ่นขุนมัวเห็นข้อความทางโทรศัพท์มือถือทางแท็บเล็ตที่มันมาตามสัญญาณอินเทอร์เนต็ตอย่างนี้ทุกคนแหงก็มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตข้อความข้าข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งบวกและลบทั้งข่าวลือข่าวลวง มันก็พังพลูมาสู่การรับรู้ของเราแม้จะอยู่ในที่ที่เงียบสงบไม่มีเสียงดังนะแต่ว่าจิตใจมันว้าวุ่นเพราะว่าไปเจอไปเห็นไปรับรู้ข้อมูลข่าวสาร น, นั้นแลวเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเนี่ยปิดไม่ได้นะโทรศัพท์มือถือนี่ปิดไม่ได้ไม่อยากปิดมันปิดไม่ลงเปิดทั้งคืนเลย นะหรือมิฉนั้นเนี่ยพอตื่นขึ้นมาอย่างแรกที่ทำเนี่ยก็คือการเช็คข้อความขณะที่ปากก็บอกว่าต้องการความสงบต้องการความสงบนะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยมารุ่นแลแต่ไปทำลายความสงบในจิตใจทั้งสิน้นนะเพราะว่าตกเป็นทาตนะของข้อมูลข่าวสารตกเป็นทาตของโทรศัพท์มือถือ เวลาทำงานเนี่ยถ้าเกิดเอาโทรศัพท์เนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะข้างหน้าแม้จะควา่าไม่เห็นจอนะแต่ใจมันก็ผวงนะเขาเคยมีการทดลองว่าเนี่ยให้ทำงานให้แก้ให้แก้โจทย์ง่ายๆโดยมีโทรศัพท์วางไว้ข้างตัวหรือว่ า, าไว้บนโต๊ะแม้จะคว่ำหน้านะแต่ปรากฏว่าพวงพวงพวอง ไม่เคยมีสมาธิต่อเนื่องในการแก้โจทย์เพราะเขารู้ได้ไงเขารู้เพราะมีการเปรียบเทียบกับอีกคนอีกกลุ่มนึงเอาโทรศัพท์ไปวางไว้อีกห้องหนึ่งไม่ให้เห็นเลยไอ้กลุ่มนี้ทําโจทย์ได้ดีกว่าแสดงว่าสมาธิดีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่โจทย์ยากแค่อาศัยสมาธิก็ทําได้ทําโจทย์ได้ดีกว่าเพราะมีสมาธิ ส่วนกลุ่มที่มีโทรศัพท์มือถือวางไว้ข้างหน้าแม้จะคว่ำแต่ว่าสมาธิเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องเพราะคอยพะวงไว้เดี๋ยวมีข้อความอะไรเข้ามาไหมนิสัยที่มันอยากจะพลิกดูข้อความนะเนี่ยพอเดี๋ยวนี้เราพลิกดูข้อความนี้หรือเปิดดูข้อความนี้ฉเฉลี่ยแล้วนี่ทุกหกนาทีเลยนะทุก6กนาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นทุกสามนาที มันพอจะพอวางไว้ไม่ถึงสองนาทีมันก็จะอยากจะดูแล้วเดี๋ยวมีข้อความอะไรเข้ามาไหมหรือไม่แต่ความพยายามสะกดใจว่าอย่าไปเปิดดูนะอย่าไปเปิดดูนะแค่นี้ก็ทำให้ไม่มีสมาธิแล้วอันนี้คือความไม่สงบนะในจิตใจนะที่อาจจะเกิดขึ้นแม้จะอยู่ในห้องที่มันไม่มีเสียงรบกวนเลยทุกวันที่ความสงบเป็นสิ่งที่หาได้ยากแล้วก็ราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ จะไปในที่ที่สงบไม่มีสัญญาณมือถือสัญญาณโทรศัพท์เลยเนี่ยโอ้หายากมาเดี๋ยวนี้คนก็แห่กันไปไปพักในช่วงเวลาสุกสาวทิตลองวิกเอนแะล้วก็ไปไปที่ที่เป็นรีสอร์ตหรือโรงแรมที่ไม่มีสัญญาณเนะพราะเขาตัดสัญญาณไม่หรือว่ากันสัญญาณไม่ให้เข้ามาถ้าคนเป็นลูกค้า รีสอหรือโรงงานโรงแรมแบบนี้เยอะนะคนรวยๆทั้งนั้นนะพวกนี้ที่จริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรก็แค่ปิดโทรศัพท์เท่านั้นแหละแต่พวกนี้ปิดไม่ได้นะปิดไม่เป็นถ้ามีโทรศัพท์ทีแล้วก็อยากจะเปิดบังคับตัวเองไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยไปอยู่ที่ที่มันไม่มีสัญญาณจ่ายเงินเพิ่ม น, ะนีไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วอย่างไรเนี่ยความสงบนะทั้งทางกายคือไม่มีเสียงดัง และความสงบในจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยล้าสมัยและยิ่งจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะสงบใจได้อย่างไรนะมันก็ต้องมีธรรม ะ, ะมีสติมีปัญญารักษาใจนะมีสติรู้ทาันอารมณ์ที่มากระทบใจกับเพื่องก็มีสตินะรู้จักวางอารมณ์นั้นไม่ว่าอารมณ์ที่เห็นทางตาคือรูปอารมณ์ที่ได้ยินทางหูคือเสียง นะรวมทั้งอารมณ์นะที่มันนึกขึ้นมาในใจเช่นธรรมอารมณ์ถ้าไม่มีสตินะมันก็ทำให้ใจกระเพื่อมพอใจกระเพื่อมปุ๊บนี่ก็ไม่สงบแล้วโดยเพราะนะกระเพื่อมลงนะหรือว่ามีความยินร้ายสติมันช่วยทำให้เรายัางช่วยทำให้เราเนี่ยรู้จักเสพพอประมาณรู้จักประมาณในการเสพในการบริโภค ไม่ว่าจะบริโภคทางตาหรือทางตาอทางปากหรือบริโภคทางตาก็คือหนังนะหรือว่าข่าวสารเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีสิ่งรอรอดตารอดใจเยอะนะทุกวันนี้เราสามารถจะดูหนังตลอดย4สี่ชั่วโมงหนังเรื่องใดในโลกนี้นะเพียงแต่เราสมัคร นะจ่ายเงินเป็นรายเดือนนะให้กับ Netflix กซ์บ้งให้กับที่นั่นที่นี่บ้างนะตอนนี้ก็มีบ้างลวนะเดือนละสามร้อยก็ดูหนังได้ยี่บสี่ชั่วโมงเรื่องไหนก็ได้ซีรีส์ไหนก็ได้ก็เคยมีคนถามซ e o ของ Netflix ซนะซึ่งเป็นผู้จัดจัดหาหนังหนังทุกประเภททุกประเทศด้วยนะ ให้กับผู้บริโภคก็ถามว่าอะไรคือคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของ Netflix ก e ์นะเน็ตฟลิกซบอกว่าคู่แข่งสำคัญที่สุดก็คือเวลานอนของทุกคนหมายความว่าถ้าทุกคนนอนเนี่ยนะก็จะไม่มีใครเปิดดู Netflix กนะเขาไม่กลัวนะคู่แข่งอื่นนะ o ีช a ีโอเมก็ไม่กลัวก็กลัวเวลาหลับของเรานะเพราะถ้าเราหลับแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีทางดู รายการเขาได้เลยเพราะนั้นเขาจะต้องหาทางทําให้เราเนี่ยหลับน้อยลงนะตื่นมากขึ้นเพราะเราตื่นมากขึ้นเนี่ยถ้าเราตื่นเมื่อไหร่เขาจะยั่วให้เรานะชักชวนให้เราเนี่ยไปเปิดดูรายการของเขาจ่ายเงินให้เขานาะเพราะถ้าเราดูมากเราก็จ่ายเงินมากเขาไม่กลัวคู่แข่งหรือเขากลัวนะว่าเราจะหลับนั่นเขาพยายามหาทางปุกหรือกระตุ้นให้เราตื่นน เดี๋ยวนี้เนี่ยนะแม้คนเดี๋ยวนี้เนี่ยนับวันจะแม้กระทั่งเวลาหลับก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันมีสิ่งยั่วยุมากนะหลายคนติดซีรีส์นะติดซีรีส์ทั้งเกาหลีญี่ปุน่นอเมริกันอังกฤษมีมีคนหนึ่งปาลบนะก็ว่าเนี่ยเขาก็ดนิพพานก็อยากได้นะ แต่ทำยังไงเนี่ยมันติดหนังเกาหลีซีรีส์เหลือเกินเลยอยากจะได้นิพานนะแต่ว่าเลิกไม่ได้นะเ ก, เกาหลีซีรีส์เนี่ยนะอันนี้เป็นปัญหาของนักปฏิบัติธรรมนี่นะนิพานก็อยากได้ไม่ต้องนิพานเอาความสงบก็ได้ความสงบก็อยากได้แต่ว่ามันติดหนังอนะทําไงดูจนตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างเลยเนี่ย ไม่มีเวลาภาวนามันติดในความสนุกสนานน่าติดตามพอเจอหนิหนังนี่เขาทำให้มันน่าติดตามแม้จะหนังแม้หนังจะเป็นมีตอนละชั่วโมงชั่วโมงแต่ดูจบแล้วก็อยากจะดูต่อบางคนก็ติดนะติดสามกกนี่ห้าสิบตอนร้อยตอนมีบางคนดูตลอดเลยนะดูติดติดกันเลยนะทั้งวันยี่สิบี่ชั่วโมง ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะก็ยังไม่จบด้วยต้องไปต่อยวันลุงขึ้นนะแล้วอย่างนี้เนี่ยนะเดี๋ยวว่าแต่ความสงบใจเลยนะแม้กระทั่งสุขภาพก็คงจะไม่ไหวอันนี้เป็นความทุ่มคนสมัยนี้นะมันมีสิ่งยั่วยวนมากมายที่หักห้ามใจไม่ได้ที่จริงหักห้ามใจได้ถ้าหากว่ามีสตินะมีขันติแล้วก็มีปัญญาปัญญาคือเห็นโทษของมันว่า มันเป็นของที่ไม่ได้ให้ความสุขอย่า ง, ทงแท้แท้มันมีโทษอย่างไรบ้างนะแล้วก็ต้องมีสติในการที่จะรู้ทันความอยากแล้วก็ไม่หลงนะไม่หลงเสพจนจนมึนเมาเดีนะ๋ยวนี้ความมึนเมามันไม่ได้เกิดจากเหล้าไม่ได้เกิดจากยาเยอะนะมันเกิดจากความบันเทิงที่เขาทาได้อย่าง อย่างน่าติดตามมากจนลืมตัวเลยดูแล้วลืมตัวเลยมันต้องดูต่อตอนที่หนึ่งจบดูตอนที่สองสองจบดูสามต่อสามต่อจะนอนก็นอนไม่ได้อยากจะรู้ตอนสี่เป็นยังไงสุดท้ายก็ทั้งคืนจนสว่างต่อตอนเช้าอยู่นะน่าสงสารนะคนสมัยนี้นะมันถูกลอถูกหลอกนะ เพราะนั้นเนี่ยสติเนี่ยแล้วก็ปัญญาสำคัญมากถึงจะรักษาตัวให้รอดได้แล้วก็นำพายรามีความสุขมีความสงบใจนะนี่ยังไม่ได้พูดถึงว่าถ้าไม่มีสติแล้วนะอาจจะหาเรื่องใส่ตัวได้ไง่ายๆไม่ใช่แค่ไปเสพความบันเทิงจนไม่ได้มีเวลาพักผ่อนนะบางทีเจอข้อความอะไรทาง a c e b o o k เนี่ยเห็นแล้วโกรธไม่พอใจ หรืเห็นเรื่องราวของใครบางคนนะที่ไม่ถูกใจเราเราก็เขียนด่านะพิมพ์ข้อความลงไปเดี๋ยวนี้พิมพ์ข้อความนะต่อไปไม่ต้องพิมพ์แล้วละพูดทางพูดใส่โทรศัพท์เลยโทรศัพท์มันพิมพ์ขึ้นมาเองเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมนี้ละไม่ต้องพิมพ์พูดไปเลยแล้วมันมันจะเปลี่ยนเป็นข้อความถ้าพูดดีก็ดีไปแต่ถ้าไปด่าเขาเนี่ยนะ เกิดเรื่องเลยนะบางทีไม่พอใจแล้วก็คีย์พิมพ์หรือพูดดา่าบางเอยเป็นดารานะคนอ่านก็ไม่พอใจเขาก็ดา่ารุมประนามบางทีเผลอพูดไปด้วยอารมณ์อารมณ์ก็มีอารมณ์หลายแบบอารมณ์โกรธอารมณ์ขนองหรือว่าดูถูกเย็ดยามพูดไปแล้วเนี่ยเดือดร้อนตามมานะเพราะว่า มีคนก็ไม่พอใจเนี่ยอันนี้ก็เราก็เห็นอยู่นะงั้นสมัยนี้เนี่ยมีสติจำเป็นต้องมีสติมากนะในการใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตอาตมาเรียกว่าเป็นอันตรายที่ปลายนิ้วนะเพราะว่าถ้าพิมพ์อะไรไม่ไมุู่มสีสซูมห้าเนี่ยเดือดร้อนนะบางทีเสียอนาคตเลยแล้วพวกนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ มันไม่แค่เดือดร้อนวันสองวันนะบางทีมันมันเก็บสะสมเป็นปีปีวันนี้พิมพไปอาจจะไม่มีคนสนใจเพราะายังไม่ดังแต่พอผ่านไปสิบปีพอดังขึ้นมาหรือพอเริ่มจะไปทำงานนะเขาก็จะสืบประวัตินะก็จะค้นนะว่าเราเคยเรามีทัศนคติอย่างไรมีความคิดอย่างไรพิมพ์ข้อความอะไรที่มันน่ารังเกียจไหม เขาก็จะตามหาสิ่งที่เรียกว่ารอยนิ้วมือดิจิทัลนะดิจิทัลฟิงเกอร์พรินอยนิ้วมือเหมือนกับหารอยนิ้วมือเพื่อตามหาอาจากรเขาก็ดูรอยนิ้วมือแต่เดี๋ยวนี้รอยนิ้วมือของคนเราเนี่ยมันมันประทับไว้อยู่ในคอมพิวเตอร์ในฐานคอมพิวเตอร์พูดอะไรไปเขียนอะไรไปเมื่อสิบปีที่แล้วนี่เขาสาวสืบหาได้หมดนะ เขาก็ไปสืบว่าโอ้เราเคยพูดดูถูกเย็ดยามผู้หญิงเคยไปดูถูกคนดำนะไปพูดเชิดชูสับสนความรุนแรงเนะี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะในในหลายประเทศเนะี่ยเขารู้เขา้าเขาก็โจมตีเขาก็บางทีก็ทําไปสมัครงานเขาก็ไม่รับนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังบางคนเนี่ยพูดอะไรไป ดูเหมือนธรรมดาธรรมดาแต่คนทำใจไม่ได้เขาก็ด่ายังมีดารากด า, าอิตาลีคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงเนี่ยพูดทำนองสนับสนุนรักร่วมเพศนะบกว่าคนลุมดา่าคนอิตาลีเธอนี่เสียผู้เสียคนสุดท้ายค่าตัวตายเครียดมากอันนี้เราเป็นอันตรายที่ปลายนิ้วนะซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อไม่มีสติ ฉันสติสำคัญมากนะสำหรับโลกยุคนี้ไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหนสติปัญญาและธรรมะเนี่ยจะยังสำคัญอยู่แล้วจ ะ, จะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ อ, ยอ่ะละข้ามนี้อพูดเท่านี้เอากลับ